อาจารย์ครับกาลองส ก, การ์ครับผมเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้มาผิดวันอีกครั้งนะครับอาจารย์วันเสาร์ครับไม่มีอนอนครับผมอาทิตย์หน้ากลับถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปวันปกติแล้วครับพระอาจารย์ครับอออาจารย์เมื่อเช้าคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมเมื่อเช้านี้สามร้อยสามสิบสี่คนโอ แตอนเช้าที่จะ น, น้อยกวันอาทิตย์ครับแล้วตอนบ่ายแล้วครับพระอาจารย์ตอนบ่ายก็วันนี้ที่นากติประมาณร้อยิบเก้าคนร้ย่สิบเก้าคนครับรวมไก็เจ็ดร้อยหกสิบห้าครับทางบ้านด้วยเจ็ดร้อยหกสิบห้าครับพระอาจารย์ปนพรุ่งนี้มุทิตาจิตพระอาจารย์เจ็ดสิบแปดปีแล้วนะครับพระอาจารย์เขา<อ>ใกล้ตายไลยทั้งวัน ครับผมก็ผมมันเดินทางสู่ความตายนะไม่ได้ไปไหนนะร่างกายครับแต่ดวงจิตไม่ตายใช่ไหมครับอาจารย์ไม bon ่ตายน้วงจิตมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทําตามความอยากต่างๆของใจครับถ้าใจไม่มีความอยากก็ไม่มีความยจำเป็นจะต้องมีร่างกายครับแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่อยากรูปเสียงกลิ่นนัดก็ต้องมีตาหูจมูกมือกาย เป็นเคร่องมือ <c oughs> เมืนคนที่ยากคนที่อยากเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยรถยนต์ครับแต่ถ้าไม่ไม่เดินทางไปไหนก็ถ้าเป็นคนไข้ติดเตียงอยู่บ้านไม่อยอมให้บ้านก็ไม่ไปไหนไม่ต้องใช้รถยนต์ใ่ไหติครับผมมาพูเป็นตัวอย่างให้ครับครับอาจารย์ครับวันนี้มีเลยแจกหนังสือด้วยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มแ <c oughs> จกวันนี้แล้วครับหนังสือมีครับอาจารย์ ตอนนี้มีคนมีคนชมอยู่โอ้โหพันพันกว่าคนครับอาจารย์ครับน่าจะมาอยากได้หนังสือกันครับก็ดีครับผมผมก็เลยขอโอกาสกราบพระอาจารย์แสดงมุทิตาจิตกับพระอาจารย์ด้วยนะครับขอพระอาจารย์รักษาธาตุขันเพื่อเป็นล่มโพล้มใส้พวกเรานะครับผมสาธุครับมันไม่ได้เป็นของที่เราจะไปรักษาได้ครับพ้ารักษาได้ก็ต้องอยู่ไปตลอดนะมันรักษาไม่ได้ ครับผมวันนี้ก็เลยตั้งชื่อเรื่องเป็นต้ น, ตนว่าจิตดวงนี้ไม่เคยตายครับอาจารย์พอดีเมื่อวานได้ฟังจากหลวงตาวันนี้ก็เลยอยากจะฟังจากพระอาจารย์อีกทีงครับอาจารย์ครั บ, ร บ, รบขอความเมตตาครับผมจิตนี่ก็เป็นา่านุมีว่า่านรู้่านนี้มีทั้งหมดหก่าตในกันที่ไม่เกิดไม่ดับไม่อยู่ตลอดเวลา ก็คือธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้คือใจนี่มันมีอยู่ของมันอย่างนั้นนะจะมาถามว่ามันมาจากไหนมันไม่มีใครรู้แต่รู้ว่ามันมีอยู่ของมันนี้มันไม่หายไปไหนแต่มันอาจจะไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเช่นธาตุสีดินน้ำลมไฟ พอมามีปฏิสัมพันธ์กันมันก็ทำให้เกิดมีร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เนื้อชันขึ้นมาแล้วธาตุู้ก็มาปฏิสัมพันธ์กับธาตุสี่ของร่างกายมาครอบครองร่างกายสามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้สามารถรับรู้เสียงกิจนรสจากตาหูจมูกของร่างกายได้นี่คือความสามารถของของธาตุนุกใจ ทีใจต้องมาครอบงำร่างกายเพราะใจมีความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่อยู่ที่ราบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกิริย์ลดต่างๆกานที่จะได้ราบยศสรรเสริญนั่นูปเสียงกิริย์ลดมาเสพมาให้ความสุขก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้งกายอพอได้ร่างกายมา ร่างกายจเจริญเติบโตสามารถทําอะไรตามคําสั่งของใจได้ใจก็ใช้ให้ไญหาราบยอดสรรเสริญอืหาลูกเสียงกินรดมาเสพก็เสพไปเรื่อยๆปัญหาคือเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ให้ความอิ่มความพอกับใจเสพเท่าไหร่ก็ยังหิวอยู่ได้ร้อยก็อยากได้เป็นพันได้พันก็อยากจะได้เป็นหมืน่น ได้ในสิบก็อยากได้ในร้อมันก็ได้ไปเรืเร่อยๆได้รองเท้าคู่หนึ่งก็อยากจะได้สอคู่คได้สามคู่ได้อะไรก็ไม่ว่าจะได้อะไรมันจะไม่อิ่มไม่พอมันจะเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆมันก็เลยต้องหาไปเรืเร่อยๆเพราะมันไม่อิ่มอะได้เท่าไรก็ไม่อิ่มหาไปจกนกระทัร่างกายมันไม่มีสามารถที่จะตอบสนองส้านทาความาาาอยากของใจได้เพราะร่างกายมันมีวัฏจักรของมันคือมันเกิดแก่เจ็บตาย เมื่อมันถึงอายุขของมันมันก็ตายเมือตายใจกับร่างกายที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็กสิ้นสุดลงร่างกายก็กลับขึ้นสู่ธาตุ่ของเขากลับขึ้นสู่ดินน้ำลมไฟส่วนธาตุรู้ก็คือใจก็ไปต่อไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงระหว่างที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ มีภาวะจะต้องไปทุจรับผลคือบุญหรือบาตที่ได้ทำไปในขณะที่มีชีวิตอยู่ ừ, ถ้าเป็นบุญก็บุญก็จะให้สภาวะของใจที่มีความสุขที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างตาถ้าบาปเป็นผู้ให้ผลก็จะให้สภาวะของใจที่มีแต่ความทุกข์ร้อนไปจนกว่าอำนาจของ ả, บุญหรือบาตหมดกำลังลง ก็จะมารับรางกายใหม่ของมนุษย์แล้วก็มาเริ่มหาลาภยศเสริญหาความสุขจากลูกเสียงขึ้นลถใหม่อีกรอบหนึ่งที่ยวริเวนว่วตายาาเกิดเป็นรอบๆไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราใจมันไม่มีวันตายเลยจนกว่าจะมามีโอกาสโชคดีได้มาเจอกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ส่งคนพบสาเหตุของการมาเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากความอยากต่างๆของใจแล้วถ้าสามารถหยุดความอยากต่างๆได้การเวียนว่ายตายเกิดก็จะยุดติดลงเพราะว่าเ ม, ม, มื่อไม่ไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพสุขมันก็ไม่ต้องมากลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่ จิตที่ไม่ไม่มีความอยากนี่มันจิตที่อิ่มที่พอเพราะตัวที่ทําให้จิตหิวก็คือความอยากเี่เองเรากำจัดความอยากหมดประจากใจความอิ่มมันก็เกิดขึ้นมาในใจก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรมาให้ให้ให้ใจให้จิตจิตมันมีความสุขมีความอิ่มมีความพออยู่ในตัวของมันจิตที่ที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าจิตที่เรียกวนที่ผ่านนะครั เป็นจิตที่มีบารมมันสุขเป็นจิตที่อิ่มที่พอไม่มีความหิวความอยากได้อะไรต่อไปอ น, นี่ก็อย่างเงี้ยเพนเ่ยจิตของพุทธชนอย่างพวกเรานี่ก็ก็ยังอยู่ต่อไปร่างกายตายไปน้าลมไฟที่มารวมตัวเป็นร่างกายมันก็แยกกลับไปสู่สภาพเดิมของมันแ้นเดี๋ยวมันก็ไปรวมตัวใหม่ไปสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมา จิตที่เป็นธาตุรู้ก็มาม า, าครอบครองร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจงกว่จะมีโอกาสได้มาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธ ศ, ศาสนามีคำสอนที่สอนให้เรารู้ว่าปัญหาของเราเกิดจากการความหลงที่ไปคิดว่าความสุข อยู่ในราบยศสรรเสริญอยู่ในรูปเสียงกลิ่นนัดเมื่เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข <c oughs> เการความสุขที่แท้จริงก็คือการสิ้นกวามอยากแต่คํามอยากได้แจิตก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอและวิธีที่จะทําให้สิ้นความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติแนวของมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญานี้เอ พระพเจ้าพระลานก็จะสอนคนที่สนใจที่ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดถึงต่อไปให้หยุดด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็จะมากําจัดความอยากใน <c oughs> ในระดับต่างๆศีลก็กําจัดความอยากที่จะทําบาปสมาธิก็หยุดความอยากทั้งหมดไว้ชั่วคราว <c oughs> แล้วปัญญาก็มาสอน จิตให้หยุดความอยากอย่างยังย่งยืนถาวรพามมีปัญญามีศีลมีสมาธิก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้จิตก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเพราะจิตมีความอิ่งความพอแล้วที่ยังไปเกิดอยู่เพราะยังไม่อิ่งไม่พอยังอยากได้รากรถสระเสริญยังอยากได้รูปเสียงกินรถนาเสดอยู่เรื่อยๆ นี่ก็คือเรื่องราวของจิตที่ไม่ตายที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายที่ที่จริงมันก็ไม่ตายเหมือนกันมันเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ที่มารัมตัวไปน็นร่างกายแล้วพอมันแยกตัวออกจากกันร่างกายก็หายไปอันเดียวก็กลับมารวมตัวกันใหม่ในร่างกายใหม่แล้วก็คือการเกิดทุกครั้งมันเป็นทุกข์ กิแล้วต้องแก่ต้าเจ็บต้องตายต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียพัดทากจากสิ่งที่เรารักเราชอบมลิ ม, มาณน้ําตาที่หลังในแต่ละพพแต่อาชาติเนี่ยถ้ามารวมกันแล้วท่านบอกว่าเป็นมากยิ่งกว่าน้ํำในมหาสมุทรซึ่งนี้คือจํานวนภพชาติที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตา ย, าตายกี่รอบกี่ครั้งด้วยกัน ยังจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ําในมาสมุทอเปรียบเทียบไ่ห็ถึงความทุกข์ที่เราพวกเราต้องพันฝังมาต้องมาเจอจนถึงบัด น, นี้และยังไม่สิ้นสุดยังจะดําเนินต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้อพอหมดภารกิจ ก็สิ้นสุดลงก็จะอยู่เป็นท่านรู้ไปแบบไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขเพราะในท่านรู้เองนี้ได้สร้างความสุขของตนเองขึ้นมาด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวทำให้เกิดความหิวขึ้นมาพรตัวที่ทำให้เกิดความหิวหายไปความหิวนก็หายไปมื่ไม่มีความหิวความอิ่มมันก็ปา ก, กอดขึ้นมา ความหิวกับความอิ่มมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าหิวมันก็ไม่อิ่มถ้าอิ่มมันก็ไม่หิวเหมือนกับเหมือนกับกลางวันกับกลางคืนมันเกิดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ากลางวันมันก็ไม่ใช่กลมันก็ไม่ใช่กันคืนถ้ากลางคืนมันก็ไม่ใช่กลางวันนปัญหาของพวกเราที่ไม่อิ่มไม่พอก็เพราะความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้กําจัดความอยากได้ควาอิ่มความพอมันก็เกิดขึ้นมาเอง ไม่ม่อพอแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปอยู่กับความไม่อความพอไปตลอดอนันตกาลอาจารย์พูดได้เหมือนหลวงตาเลยครับ <laughs> เป็นเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ ไ, ไปสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปอย่างนี้เหมือนกันเลยครับความรู้นี้เกิดจากการปฏิบัติคือคือได้สมาธิแล้วเราจะรู้แบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ได้สมาธิมันก็รู้ยังไม่รู้ชัดเจนเท่ากับการได้ปัญญาเวลาได้ปัญญาแล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่มีในจิตฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายทุกข์ฝ่ายสุขอาจจะแยกแยะไดยได้ด้วยปัญญาจิตเราเนี่มันมีอะไรคอนเทนต์อยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดแต่ในขั้นสมาธินี่เราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้จักแยกแยะเราเพียงรู้จักหยุดคอนเทนต์เท่าไหร่ให้มันสง บ, บตัวลง ให้มันเหลือแต่ความว่างเฉยๆนั่นเองสติจะหยุดความ activity ต, ต่างๆของจิตนะครับ <c oughs> เพราะ activity ต, ต่างๆในจิตมันหยุดลงมันก็ว่างขึ้นมาแต่เวลาเอามาจากสมาธินั่นมันก็เริ่มมี activity มีสังขารความคิดปรุงแต่งมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีอะไรปรากฏขึ้นมาอันนั้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาอย่างกๆว่าอตัวนี้ทําให้เกิดความสุขตัวนี้ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา อาจารย์ครับแล้วจิตเป็นไตลักไหมครับก็จิตนั่นเป็นธาตุที่ไม่ไม่มีวันตายมันก็มันจะว่าเป็นไตลักก็มันก็ไม่เชิงคือมันมันก็อยู่ของมันมันมันไม่มันไม่หายไปไหนมันไม่เกิดไม่ดับเพราะว่ามยนเป็นอนิจจามันก็ไม่ใช่แต่จะว่ามันเป็นอนัตตาก็มันก็ไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเราว่าดิน ดินฟ้าอากาศนี่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนนะมันเป็นธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ฝนก็ก็เป็นน้ํำเวลามันยังไม่เป็นฝนมันเป็นเมฆมันก็ยังถือว่าเป็นธาตุดินอยู่มันเป็นก้อนอยู่ครับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามเหตุตามปัจจัยน้ํามันกลายเป็นเมฆได้เพราะเพราความร้อนเนยธาตุไฟมันเล่นข่มธาตุน้ํามันก็จะทำให้เกิด จนละอองขึ้นมามันก็ละเหยขึ้นไปเป็นในอากาศแล้ว ก, กาศเป็นเมฆน้ำห่เมฆไปเจอความเย็นมันก็ตกลงมาใหม่กลายเป็นน้ําใหม่มันก็เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสีนี้มันจะว่ามันอันนิจังมันก็ไม่อันนิจมันจะว่ามันเที่ยงก็เที่ยงอันนิจังก็มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่เ้าก็ไม่ได้ไปสนใจ ก็มเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือ่ความจริงตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานัตตาทำสภาวธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนธาตุดินก็ไม่มีตัวตนธาตุน้ำก็ไม่มีตัวตนธาตุดมก็ไม่มีตัวตนธาตุดูก็ไม่มีตัวตนแต่ความหลงในธาตุดูรู้มามามาม า, มากำหนดตัวตนขึ้นมาเองมาธาตุดูรู้เป็นตัวตนนะ ธาตุสีดินน้ำลมไฟที่เป็นร่างกายพอ่า้ารู้ไปครอบครองก็ถือว่าเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเลยต้องใช้ใช้ตายลากมามาสอนมาแก้มาไม่ใช่ตัวตนไม่มีมสิ่งต่างๆที่มารวมตัวกันนี่มันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดนี่สังขารความของปรุงแต่งทั้ ง, งหลายเช่นนั่งกายนี่ก็เป็นเครื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่ง โดยจกการปรุงแต่งผสมปรุงแต่งของธาตุสีนี่นะบาไฟมันก็จะไม่อยู่ยั่งยืนถาวนเพราะมันจะต้องมีการแยกตัวของมันกลับคืนสู่สธาตุเดิมแต่สิ่งใดที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการผสมมันก็จะไม่มีการไม่มีการแตกสลายเช่นธาตุดินมันก็จะไม่แตกสลาย่านน้ามันก็ไม่แตกสลายถ้ามันอยู่ตามลำพังของมันมันก็จะเป็นน้าของมัน มันก็จะเป็นนมนี่เป็นไฟอยงั้นถ้ารู้ก็จะเป็นถ้ารู้อยู่นึงพระอาจารย์ครับมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าจิตเกิดดับทั้งคืนทั้งวันนี้จริงไหมครับพระอาจารย์คือสภาวะในจิตจะเกิดดับเช่นความคิดตรุงแต่งมันเกิดดับคิดเรื่องนี้แล้วคิดเรื่องนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็เกิดดับเกิดดับคิดดีก็อารมณ์ดีคิดไม่ดีก็อารมณ์ไม่ดี แล้เนี่ยมันมั น, ม, นมันเกิดดับเกิดดับมันไปเรื่อยๆเปลี่นไปเรื่อยๆเป็นอนาัตตาเราควบคุมมันครับมันไม่ได้บางทีเราควบคุ ม, ค ม, ไ, มไ ด, มได้แต่บางทีก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ก็จะว่าเวลาที่เราไปสติเ้าก็เข้าสมาธิไปเราก็หยุดการทำงานทางานของจิตมาชั่วคราวแต่ก็คุมไม่ได้ตลอ ด, ดยังก็ต้องออกจากสมาธิมามันก็จะมา มาคิดมาปรุงแต่งมาสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาไว้ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวจะขอโอกาสถามคำ ถ, ถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับตอนนี้มีผู้ชมอยู่พันห้าร้อยคนเลยครับอาจารย์ครับรวมกนคำถามจากคุณแว่นนะครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการทำสมาธิให้เกิดฌานด้วยครับ คือสมาธินี่แปลว่าความสงบซึ่งฌานก็เป็นความสงบในระดับต่างๆ เ, เวลาที่เราทำสมาธินี่ความจริงเราทำสติเราจะเลืนสติและจะทำให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ต้องมีสติเป็นตัวคอยคอยดึงใจไว้ไนมะ่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆก า, ารที่จะดึงใจให้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ สติจะต้องผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะเป็นตัวกล่อมให้ใจนิ่งให้สงบไม่ให้คิดปุ่งแตกได้ในเวลานั่งสมาธินี่ความจริงเรากำลังเจริญสติเจริญสติเช่นพุทธานุสติก็ให้เราเราลกถึงพระพุทธเจ้าเช่นนักชื่อของพระพุทธเจ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเรากำลังจะเดินพุทธานุสติ พอเราอยู่กับพุท ธ, ธานุสติอยู่กับพุโทโธใจก็ไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้เบื้องต้นอาจจะไปไปบ้างใหม่ๆมันจะไปมันความคิดแรงแต่ถ้าตัดได้เราเกาะติดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะเบาลงเบาลงแล้วใ น, นที่สุดมันก็จะหายไปได้เหลือแต่พุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวพอเรามีสติอยู่กับพุโทโธแล้ว ไม่ไปคิดดังนั้นตอ น, นนี้เนี่ยจิตก็หยุดหยุดคิดได้จิตก็รวมเป็นหนึ่งไม่ว่าเอกตารลมจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบนี่นะแรกสมาธิสมาธิคือผลสติคือเหตุเวลานั่งสมาธินี่ครัต้องเจริญเหตุคือสติให้อยู่กับกรรมฐานถูกใจให้อยู่กับกรรมฐานซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันที่พูดถึงนี้เป็นตัวอย่าง ที่ใช้กันบ่อยในวงการปฏิบัติของสายวัดป่าก็คือพุทโธพุทโธแต่เราท่าอาจจะใช้อนาปานสติมีสติ i, ่ อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ผูกใจไว้ต้องมีอะไรผูกใจไว้ใจเหมือนเรือเนี่ยเวลาจะไปจอดกับท่าใ ห, ให้มันนิ่งแม่ม็นไหลก็ตามกระแสน้ำเราต้องผูกผูกเรือไว้กับท่าสัางเกตดูเวลาเรือจอดท่าเนี่ยเขาจะต้องมี คนกระโดดลงมาจากเรือแล้วก็เอาเชือกมาผูกไว้กับท่าเรือจะได้นิ่งเมื่อไหนไปตามกระแสน้ําในใจเราก็มีกระแสของความคิดเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยทั้งวันนะต้องแต่เตือนมาคุณหมอหยุดคิดได้ยังเรคิดของมันไปเรื่อยๆคิดทางนั้นะคิดทางนี้ไปถ้าอยากจะหยุดคิดนี่เราต้องเอาเชือกมาผูกใจให้อยู่กับท่าเรือหรืออยู่กับกรรมฐานกรรมฐานนีก็คือเสา ตัวที่จะดึงให้ใจไม่ไหลไปกับความคิดต่างๆแต่ต้องมีสติคือเราลึกรู้ให้ต้องรู้ว่าเราลึกรู้ว่าเรากำลังอยู่กับพุทธโธพุทธโธนะนี้มันถึงจะไม่ไปคิดถึงเรื่องเรนีไ้ได้หรือเราเลือกรู้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก<ช>ถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องอยู่กับลมอย่างต่อเ น, นื่องเราอยู่กับพุทโธอย่างต่อเ น, นื่อ ง, องอนนดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุด พอจิตพอควคิดหยุดจิตก็เน่งสงบนั้นเรียกว่าสมาธิรวมเป็นหนึ่งพราเวลาจิตสงบแล้วก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวอย่างหยุดทำงานความคิดปรุงแต่งหยู่ทํางานก็เหลือแต่ตัวรู้เราเรียกว่าเอกคัตางลมเป็นอารมณ์เดียวสัตว์แต่ว่ารู้ตอนนั้นก็จะเกิดความว่างความสงบความสุขขึ้นมา พระอาจารย์ครับตัวสตินี้เปรียบเหมือนเชือกผูกที่ผูกเหรครับพราจาใช่ไหมครับใช่เชือกที่จะคอยผูกจิตให้อยู่กับเสาผูกเรือให้อยู่กับท่าท่าเรือเสาของท่าเรือถ้าเชือกมันมันเชือกอ่อนเชือกกล้วยเนี่มันก็ขายง่ายพอมีการดึงกันปั๊บเดียวมันก็ขาดสำหรับผู้ฝึกสติใหม่หมๆนี่จะเป็นเหมือนเชือกกล้วย อยู่ดโทรศัพท์ได้สองสามคำพอความคิดเข้ามาปั๊บก็ไปกับความคิดเลยแล้วฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเชือกพุ่ยจกลายเป็นเชือกมันิลาเป็นเชือกพลาสติกต่อไปอาจจะเป็นเชือกแบบเป็นเหล็กก็ได้ทําด้วยเหล็กโหลหะอะไรก็ได้ถ้าเป็นเชือกแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรหนึ่งให้จิตลอยไปกับความคิดได้จิตมันก็จะอยู่กั บ, บอารมณ์เดียว อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วนี่อยู่นิ่ ง, ง, งๆเฉยๆไปเลยไม่คิดอะไรเลยสักแต่ว่ารู้ไปเขาเรีกนั้นเรียกว่าสมาธินีสมาธินี่คือการสงบของสมาธินี่มันมีหลายท่านมีแบ่งไว้เป็นสองระดับรูปปัจจานะรูปปัจจานรูปปัจจานก็มีอยู่สี่ขั้นความสงบค่อยๆสงบทีละขั้นทีละขั้นไปแล้วพอถึงขั้นที่สี่แล้วก็ ถ้าจะสงบมากกว่านั้นก็จะไปสู่ขั้นอรูปฌปานซึ่งมีอีกสี่ขั้นแต่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันพวกนี้เราเรียกว่าเป็นนัสมาธิก็ไม่แบ่งเป็นชื่ออีกอีกรูปแบบหนึ่งแบ่งเป็นสามสามชื่อด้วยกันคณิกีสมาธิอัปปนาสมาธิอุปจาระสมาธิเพราะสมาธิมีคุณสมบัติไม่เหมือนไม่ต่างกันอันนี้ถ้าพูดแบบถ้าสง บ, บแบบ เหนียวเดียวปั๊บเดียวนี่เขาเรียกว่าคานิกะอันนี้เป็นเป็นสมาธิของเราผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆผู้ที่ไม่เคยได้สมาธิเลยข้างหน้ามักจะได้สมาธิแบบปั๊บเดียวแล้วมูนาบดิ้นหรือแบบฟ้าแลนจิตโดนลงคแค่วบเดียวแล้วก็ถอนออกมา ท, าทันทีแล้วก็เรียวคานิกะสมาธิพอฝึกสติให้เพิ่มมีกําลังมากขึ้นต่อไปเวลาจิตโดมสูขขสม่ความสงบก็จะนิ่งได้นานขึ้น านานขึ้นไปเราก็เรียกว่าอ ป, ปนาสมาธิซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงหรือ บ, บางคนเข้าชานเป็นวันๆก็มีอันนี้ก็จะเป็นอั ป, ปนาสมาธินิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วมีการมีสมาธิชั้ชนที่สามเรียกว่าอุปจาระสมาธิสมาธิอันนี้เมื่อจิตรวมเป็น เป็นหนึ่งสักดิว่ารู้แล้วเป็นอภปนาแนละ้วมันจะไม่อยู่เฉยเฉยมันจะมีการเคลื่อนไหวคือมันจะไปเที่ยวมันจะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ทุกนี้จะเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นจิตที่มีอภิญญาสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อลมงวิญญาณต่างๆได้เห็นนรกเห็นสวรรค์เอรุณชาติได้อ่านว่าระจิตความคิดต่างๆของคนอื่นได้เป็นต้น อันนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิระหว่างสมาธิทั้งสามนี้สมาธิเราต้องการจริงๆเพื่ อ, อว่าใช้บรรดาบความทุกข์ก็คืออัปปนาสมาธิสมาธิที่นิ่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวพอจิตที่นิ่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวนี้จะมีอุเบกขาที่จะเป็นตัวที่จะมาสู้กับหยุดความอยากได้ถ้าจิตไม่มีอุเบกขานี่จะหยุดความอยากไม่ได้เมื่อเราจเจริญปัญญา จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเช่นอยากไม่ตายอย่างนี้มันทุกข์เพราะความอยากไม่ตายมันไม่ใช่เพราะความตายที่ทําให้ใจทุกขนะ์แต่ถ้าใจหยุดความอยากไม่ตายได้ปล่อยให้รัางความทุกข์จะหายไปจะหยุดได้ก็ต้องมีจิตมีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิแต่ถ้าออกไปทางอุปจารสมาธิอัปปนาจะไม่มีอุเบกขาเกิดขึ้น เวลาไปท่องเที่ยวในโลกที่ไปอะไรมันก็เหมือ น, นกับต้องใช้พลังงานต้องใช้จิตทํางานจิตก็เลยไม่นิ่งก็เลยไม่มีอยู่ไหนค่ะคนที่ติดอุปจรารสมาธินี่จะจะจะลาบากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยสอนคอยห้ามนี่จะไปติดเพราะมันเป็นของวิเศษมันมีความสามารถพิเศษกับคนอื่นอ่านความคิดกับคนอื่นได้อย่างนี้ ไงว่าอลนลุชาชัดได้อย่างนี้ยแล้วติดตามกับกายทิพย์ได้มันก็ลอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปกิเลสก็ว่าอันนี้เป็นธรหาะ ก, กินได้เนี่ยวะไปเป็นหมอดูได้ท่านที่จะมาเจริญอัปปนาสมาธิก็เลยนั่งเพื่อที่จะไปให้มีตาทิพย์หูทิพย์เราจะได้เอาอันนี้มันเป็นวิชาชีพยถ้าบางองค์ท่านดูหมอดูดูดวง ด, ด, ดูอะไรให้ใช่ไหมครับนั่นแหละ ท่า น, นจะมีอุปจารสมาธิท่านก็นเลยท่านก็นเลยไม่ไปทางอัปปนาสมาธิไม่ไปทางปัญญาท่านก็นหยุดที่ขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิเป็นเครื่องมือหาลาภสกสาราไปดงนั้นไขรที่ได้ใครที่ได้อุปจารสมาธิมีมีอภปัญญานี้ต้องระวัง ว่ามันไม่ใช่เป็นทางสู่การดับความทุกข์ไม่ใช่ทางสู่ว่าผลที่ผ่านต้องอย่าไปติดนันถ้ารู้ว่าเป็นตอนนี้อย่าเพิ่งไปใช้มันอย่าไปยุ่งกับมันให้รักษาจิตให้อยู่ในอัปปนาสมาธมิคือใช้สติหนึ่งไว้อย่าให้ปล่อยให้มันออกไปเที่ยวแล้วก็สร้างอุบเบกขาให้มีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเวลาออกไปพิจารณาทางปัญญา จะได้หยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้หยุดสังโยชน์ได้ด้วยด้วยอุเบกขาเพียงต้องปัญญาเป็นผู้ชี้ว่าตัวไหนเป็นสังโยชน์ตัวไหนไม่เป็นสังโยชน์ปัญญาบอกอาศัคยญาที่ถิ่นนี้เป็นสังโยชน์ต้องหยุดมันได้อย่าไปอย่าไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราถ้ามีอุเบกขาก็หยุดได้ถ้าไม่มีอุเบกขามันก็หยุดไม่ได้ อันนี้ก็คือสมาธิในรูปแบบต่างๆมีชื่อชื่อในรูปแบบต่างๆแต่มันก็เป็นสมาธิทั้งนั้นรานนนยละเอียดมันแยกแยกออกไปตามคุณสมบัติของมันคุณศรีไัยบอกว่าเพิ่งจะเสียคุณแม่ไปครับอายุเจ็ดสิบแปดเท่าพระอาจารย์เลยครับก็ใ <ณ S 2> ช่นะครับก็คงคิดถึงคุณแม่ครับอาจารย์ <c oughs> คุณพลัมครับบอกว่าถ้าหากเรากังวลเรื่องปีชงแล้วไปทําบุญให้รู้สึกสบายใจแบบนี้ถือว่าเป็นศีลประตะปรามาสไหมครับเป็นเป็นต้องไม่กังวลใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องรู้ว่ามันไม่มันไม่มันไม่มันไม่เป็นความจริงครับผมจะเป็นจะตายมันไม่ได้อยู่ที่ปีปีชงแล้วไม่ชงเห็นคนทั้งโลกก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกคนแล้วปีชงใช่ไหมคุณเราก็ต้องเป็นเราก็ต้องเป็น ออกไปี่ปีชงนี้ทุกคนก็ต้องเป็นกันมาหมดมันไม่ได้เป็นมันเป็นความเชื่อเป็นความคิดตรงแต่งหลอกกันขึ้นมาหลอกมาหลอกคนที่ไม่มีสติปัญญาที่้กวนเหมือนแบบที่เขานิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูนนะกระต่ายนอนอยู่ใต้ใต้ต้นตาลลูกตานหล่นลงมากายสีษะตัวนี้ก็ตกใจขึ้นมาผันดินทะลงนะ ก็วิ่งก็เจิดเปิดเปิมสัตอื่นเห็นก็ถามว่าเป็นอะไรแผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มก็เชื่อกันวิ่งกันตะใหญ่ตอนนั้นที่เสร็จไปเจอราชสีราชสีพวกเธอวิ่งกันไปทําอะไรกันบอกแผ่นดินถล่มราชสีว่าอยู่ตรงไหนไปดูหน่อยสิพาไปคอนั้นก็ไม่กล้าไปแต่ก็กลัวราชสีก็เลยพาไปพอไปราชสีก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์หนึ่งอ้าวมันก็มีแค่ลูกตาดน์หล่นลงมาเท่านั้นเอง เห็นภาวะดีชั่วของเรานี้มันไม่ได้อยู่ที่ปีชงปีไม่ชงอมันอยู่ที่บุญกรรมที่เราทําเลยหรือภาวะอย่างอื่นที่อาจจะเป็นภาวะของเศรษฐกิจนั่งภาวะของอะไรต่างๆก็มีหลายเหตุปัจจัยที่อาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นลดเดือดรลงได้ทางเราต้องใช้ปัญญาครับจากคุณสมพรครับบอกว่าเทศกาลกรถิน จะมีการออกโรงทานการมีคําพูดที่ว่าคนที่ได้ทําโรงทานได้ออกโรงทานทําอาหารให้คนทานจะได้เป็นเศรษฐีมีกินมีใช้ไปตลอดชาติอยากทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงตามคําสอนคำพูดที่เจ้าหรือเปล่าครับคือมันเป็นการทําทานไงด้านที่ส่ของการทําทานก็คือพ้นหน้าชาติี้ก็จะร่ํารวยกว่าเก่ามีสานการณเงินการทําดีกว่าเก่าแไม่จำเป็นเขาจะต้องเป็นโรงทานอย่างเดียวจะให้าพาก็ได้ ถอยรว้จากโรงพยาบาลอไรอย่างตอนนี้คุณหมอเรียกร้องให้ช่วยเบิจากโรงพยาบาลกันครับเอาสั้งร้อยล้านนั้นถอยลให้โรงพยาบาลไปอันนี้แหละถ้าหน้ากลับมาเกิดจะได้เป็นพันล้านครับโอ้ตอนนี้โรงพยาบาลโอ้ตอนนี้อรงพยาบาลวัดเยอะเลือเกินวัดเมืองเหลือเฟือแต่คนเชื่อว่าทําบุญกับวัดท่านั้นถึงจะได้บุญใช่ไหมทาบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนนี้ กลัวจะไม่ได้บุญเงินอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำเงินแต่มันเป็นทานเหมือนกันการทําทานนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้เล่ ว, ว่าเป็นใครขึ้นอยู่กับผู้ให้ว่าให้มากให้น้อยให้มากก็จะได้กลับมามากให้น้อยก็จะได้กลับมาน้อยครับตอนนี้สงสารโรงพยาบาลเยอะครับอาจารย์ไม่มีเงินหมุนไม่มีเงินจะไปซื้อยากันครับใช่ลยต้องออกมามช่วยม า, ากเขาไม่มีกําลังใจ หมอที่ใจเอาหน่อนก็ไปเอกชนนี่กใช่ครับเอกชนนี่ยาก็เยอะอะไรเครื่องม้าเครืองก็พร้อมดนเนินก็ด exactly ีเวลาทำงานก็ไม่เครียดมีเวลาพักผ yes. ่อนก็ก็เลยต้องออกมาช่วยแต่จริงๆใจผมไม่ชอบกระทบเลยครับอาจารย์ก็มีการกระทบกับกับหน่วยงานบางอย่างแล้วคก็อาจารย์ก็ตามด้ที่ทาไม่ไปตั้งใจที่จะไปกระทบเก่าเราพูดตามความเป็นจริงครับ แต่ก็รสร้างจะยอมรับว่ามันกล้า จ, จะไปสร้างสร้างศัตรถถูขึ้นมาได้สร้างเวทสร้างกรรมขึ้นมาได้เพราะผู้ที่เขาไม่พอใจเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ครับก็ต้องตัดสินใจเว่าจะยอมรับผลผ ล, ผลที่จะตามมาหรือไม่ครับอาจจารย์ครพยายามน้อยที่สุดแล้วครับ <laughs> ให้พูดแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นแล้วครับอาจารย์ครับคุณโตมิครับ พรุ่งนี้จะพาแม่ไปใส่บาตรอาจารย์นะครับคุณดำชนบุรีครับบอกว่าวิธีทําฌานให้เป็นญาณต้องทําอย่างไรครับมันคือเรื่องกันฌานก็เป็นฌานญาณก็เป็นญาณเราไม่เปลี่ยนฌานมาเป็นญาณฌานก็คือสมาธิความนิ่งสงบของใจอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาจากการทําฌานเราไม่ได้ต้องการปัญญาส่วนปัญญาด้วยญาณ น, นี่เราต้องการ เราต้องใช้การวิเคราะห์ศึกษาเหมือนกับไปโรงเรียนศึกษาตายรักคือสิ่งที่เราต้องศึกษาเพราะเรามักจะมองไม่เห็นตายรักกันเราเห็นองไรมาเราก็มักจะคิดว่าดีเป็นสุขไม่เห็นเป็นอนี้เป็นนิจจังเป็นของยั่งยืนถาวรเป็นของเราคิดว่าได้อะไรมาเราจะไปต้องเป็นของเราไปตลอดในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดเป็นสมบัติชั่วคราวจะจางเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ วันนี้คืนดีก็อาจจะถูกย่อย้ายได้ถ้ามียศมีตำแหน่งมีเงินมีทางวันดีคืนดีก็อาจจะล้มละลายก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่เราไม่คิดอย่างนี้กันเราจะคิดว่าโอยพอได้อะไรมาแล้วจะต้องอยู่กับเราให้ความสุขกับเราเป็นของเราไปเพียงอย่างเดียวอันนี้นหละคือความหลงมาถึงน่ามาคอยมาสอนใจให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นของไม่เที่ยมไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง มันจะต้องทําให้เราทุกข์ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเวลาที่มันเกิดการสูญเสียแล้วเกิดการสิ้นสุดลง น, นี่คือปัญญาอันนี้ต้องใช้การวิเคราะห์ศึกษาถึงจะเห็นเห็นอะไรต้องวิเคราะห์อของนิ่งไหมเช่นเห็นคนสวยๆคนเนี้เห็นไหมไม่จะสวยงี่ไปตลอดหรือเปล่าไม่สวรรค์หนึ่งจะต้องกลายเป็นคนแก่ กลายกลายเป็นซากศพไปเราไม่คิดกันเราเห็นว่าอ๋อคนนี้สวยย่สวยอย่างนี้ไปตลอดมันจะได้เข้ามาเป็นแฟนการพ น, นันผิดศีลข้อไหนครับจากคุณภาษานครับไม่ผิดศีลแต่เป็นอบายมุกเป็นเหตุที่ทําให้ไปทําบาปง่ายๆที่เล่นการพ น, นันส่วนใหญ่ก็ย่ำเสียกันเวลาเสียก็อยากจะเล่นต่อ ม, มันติดแล้วพมันติดการพนันพอไม่มีเงินทองก็ต้องไปโกหกหลอกลวงคนนั้นคนนี้ไปยืมเงินเขาแต่รู้ว่ายืมมาก็ไม่มีทางที่จะใช้เขา้วไปหลอกเขาไปโกงเงินอของเขามาหรือท่านหนักกว่านั้นบางคนเป็นหนี้พ น, นันเยอะๆก็ต้องไปปล้นร้านทองมีข่าวอยู่ดีไม่ดีพอปล้นร้านทองก็มีการเกิดการต่อสู้เจ้าของร้านเขา อ, อมา ย, ยอมให้ปล้นเนี่ยเขาก็มีปืนชักออกมาแล้วก็มีปืนก็ยิงกันตายนี่นาไปสู่การทําบา โดยลาพังมันไม่ได้เป็นตัวที่จะท้ายทําบาปแต่มันเป็นตัวที่จะสนับสนุนส่งเสริม่มให้เกิดการกระทําบาปขึ้นได้ง่ายงั้นอย่าไปอย่าไปยุ่งกับของเหล่านี้เอาบยมุกมาอยู่ห้าข้อเลยกันหนึ่งคือการเดินสุรายาเมาพอเมาแล้วก็ควบคุมใจไม่ได้เวลาโกรธใครก็อาจจะไปด่าเข้าไปทำร้ายเขาเพื่อมาทำดีสุรายเน้นการอ น, นันต์เที่ยวทเที่ยวเตะเที่ยวกลางคืน แล้วก็เกยียรติค้านก็เกยียรติท่านแล้วข้อที่ห้าคือคบคนที่ชบอบอบายยมุขเป็นเมตต์อย่าไปคบกับคนที่เล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนดืม่มชูเาเขาอาจจะชวนเราไปดืม่มชูกาให้เนื่องอาบายยมุขื่องการปฏิการการทํำบาปก็จะยาก คุณธรรมชาติครับบอกว่ารักษาสีนห้าแต่ยังตบยุงอยู่ทำยังไงดีครับก็ตบตัวเองไม่ได้เวาจะตบยุงตบตัวเองเนื้อถามตัวเองว่าเวลาตบตัวเองมันเจ็บนะไหมไปตบเขาเขาก็เจ็บไนดะ้เข้าไปก็ได้ไม่ต้องไปไปตบเขาเพียงแต่ไล่เขาไป คุณสมพรครับเทศกาลลอยกระทงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับไม่เกี่ยวเลยอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกทางโลกก็เชื่อว่าแม่น้ํามีคุณค่ากับชีวิตคนไทยเรานี้ในสมัยก่อนอยู่มีแม่น้ํามันทั้งนั้นพอถึงเดือนวันเพ็ญเดือนสิสองแม่น้ํามันเต็มตลิ่งใช่ไหมก็อยากจะบูชาพระแม่คงคาคือคิดว่าแม่น้ํานี่เป็นเหมือนกับพระเจ้า เป็นพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกับพวกเขาเพราะการอยู่ของเขานี่ต้องอาศัยน้ำในแม่น้ำลําคลอ ง, งตา่างๆาเพราะปลูกมาเดินทางไปไหนมาไหนก็เลยอยากจะกราบว่าบูชาแสดงความกตัญญูกับนา เ, เวทีท่า น, นเองพ่อแม่คงคาคุณมัดสาลินาครับบอกว่าสวดมนต์แค่เฉพาะวันโกนวันพระได้ไหมครับได้ไม่สวดไหนก็ได้ จะสวดทุกวันก็ได้นั่นแหละความพอใจการสวดก็เหมือนการกินข้าวการสวดนี่เหมือนให้อาหารกับใจให้ความสงบสุขแก่ใจถ้าสวดถ้าถ้ากินอาหารวันละครั้งสองอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ได้นี่จะกินทุกวันก็ได้อย่างไรจะดีกว่ากันะกินทุกวันมันดีกว่านะี่เราไม่ใคยอดข้าวเลยนะเรากิน 1, ทุกวันวันละสามือ้อหรือมากกว่านั้นเสียได้จซ้าไป การส่วนมนก็แบบเดียวกันเป็นการส่วนมนเป็นการฝึกสติฝึกธรรมทนาที่ขั้นหยาบๆก่อนคือไม่ถึงขั้นลึกแต่ก็สามารถทําให้ความคิดฟุง้งซ่านต่างๆเบาบางลงเบาบางลงได้าเวลาเราเครียดลราไปนั่งส่วนมนสักพัก ด, ดูสิความเครียก็จะหายไปได้ถ้าเรากาะติดอยู่การส่วนมนไปเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราเครียดได้ชั่วคราวคุณปูเป้ครับ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้โสดาบันแล้วครับโดยหลักก็พูดง่ายๆคือไม่กลัวตายเพราะเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนกันเราเห็นร่างกายของคนอื่นพอร่างกายของคนอื่นตายไปเรารู้สึกอะไรไหมเราไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นเราก็ต้องมองร่างกายของเราเหมือนกับเรามองเห็นร่างกายของคนอื่นเพราะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนกันคุณดาวครับ มิจฉาชีพที่หลอกลวงในยุคปัจจุบันเขาทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเขาได้รับกรรมอย่างไรบ้างครับก็ชอบโกงรักทรัพย์ของผู้อื่นต่อไปถ้าพบหน้าช้าหน้าเขามีทรัพย์สบรรัสินรรสมบัติเขาอยาจจะถูกคนอหน่นมาชอบโกงมากนไปนลอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้สดัตว์เดรัจฉานก็ต้องอยู่ด้วยการรักขโมยเงินทองของผู้อื่นเท้าของของผู้อื่น ว่ามันไม่สามารถสร้างทรัพย์สินขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอาศัยทรัพย์สินของผู้ขโมยข้าวเขากินไหมขโมยของอะไรต่างๆไม่อยากมาเกิดแล้วจะต้องทําอย่างไรครับก็ต้องหยุดความอยากให้หมดความอยากที่เป็นกิเลสคือความอยากเสพรูเสียงกลิ่นนั้นความอยากนัํารวยความอยากไม่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่สูญเสียชีวิตเนี่ย ความอยากเหล่านี้มันจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอ ย, ยู่เรื่อยๆแต่หยุดมันได้ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็น้องระดับนักบวชดนนีที่สุดไปบวชเลยจะได้มีเวลาปฏิบัติสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่จะได้สามารถตัดความอยากให้หมดสิ้นไปได้ในภพนี้ชาตินี้เลยแต่ถ้าเราทํําทาแบบค า, ารวะรักษาศีลห้าแล้วทําไปมันจะทําได้น้อยอาจจะไม่สามารถหยุดความอยากหยุด ได้หมดอาจจะไม่สามารถหยุดการการวียนว่ายตายเกิดได้ในพวกนชาตินี้ส่วนใหญ่ที่พวกที่หยุดควาการกรมาเกิดได้ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชนทะั้งนั้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซนตคุณมรตีครับการได้เป็นเจ้าภาพกฐินจะได้อนิสงส์สูงสุดอย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับไม่ถูกหรอกอ น, นิสงส์สูงสุดอยู่ที่คนไหยให้มากที่สุด ใช่ครับใครจ่ายมากที่สุดคนนั้นได้มากที่สุดอันนี้สองผลบุญก็คือการให้ปกติเขาออโอเปอเรอเรานเป็นเจ้าภาพแต่เราไม่มีเงินเขาให้เราเจ้าภาพเองไม่อยากจะออกมาสแสดงตัวให้ให้คนอื่นมามาเป็นเจ้าภาพแทนแต่คนที่จ่ายเงินก็คือคนที่ไม่ได้ออกมาสแสดงตัวคนที่มาสแสดงตัวอาจจะไม่ได้จ่ายเลยก็ได้อาจจะเป็นลูกน้องของของเจ้าภาพแทนก็ได้ อากให้ลูกน้องมาเป็นเจ้าภาพแทนเพราะไม่อยากจะบางบางคนชอบทําบุญแบบปิดทางหลังพระไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากจะโอ้โว่าเรารวยเราเอาทำบุญใหญ่โตอันนี้ก็พูดเป็น เ, นเนตัวอย่างให้ฟังนั่นนะว่ามันไม่ได้อยู่ที่การเป็นเจ้าภาพหรือไม่เป็นเจ้าภาพมันอยู่ที่การทําบุญของเรามากหรือน้อยเท่านั้นเองถ้าคนทําบุญ ให้มากกว่าเจ้าภาพคนนั้นคนจะได้ประโยชน์มากกว่าได้บุญมากกว่าเจ้าภาพแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเจ้าภาพเป็นคนจะออกมากที่สุดนนคนที่ก็ปเป็นคนหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นคนที่มีทรัพย์ที่จะสามารถทําเป็นเจ้าภาพกฐินได้จากคุณหนุ่มน้อยวันนี้ถามสองข้อครับ ข้อที่หนึ่งหลวงตาครับผมตายแล้วไปปฏิบัติธรรมจงกรมที่เทวดาสวรรค์ได้ไหมครับเพราะยังไม่ขึ้นชั้นไปเรื่อยชั้นสูงโสดาบันและนิพพานขออยู่สวรรค์จะฝึกปฏิบัติธรรมต่อไปได้ไหมครับจะได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ไปสอนพระถ้าเราอยู่สวรรค์ไม่มีใครสอนเราก็จะเพลินเพินกับความสุขของสวรรค์ไปเราก็จะนิ่งเรื่องการปฏิบัติธรรมไปแต่ถ้ามพีพระพุทธเจ้าไปสแสดงธรรมปวดพวกเทวดา แล้วเราสนใจพอเราไปศึกษามาได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาปฏิบัติได้แต่เราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติแบบเดินโยมกมเพราะราไม่มีร่างกายเราอาจจะมาเจริญปัญญาเป็นส่วนใหญ่เรื่องเจริญสมาธิพระอาจารย์ครัแต่ถ้าพระโสดาบันตายก่อนเราไปอยู่สวรรค์ก่อนนี้ก็ไปต่อใช่ไหมครับพระอาจารย์โสดาวันนี่ยสา ม, มารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีครูอาจารย์นะเพราะมีแผนที่ ข้อที่สองครับถ้าปลาสะบัวตายผมไม่ได้ดูแลเพราะผมคิดไม่ถึงเลยครับเลยกังวลผมดูแลแค่อาหารให้แมวดึงต้นไม้ออกที่ติดกระเบื้องและล้างที่ตะไครที่แมวทานน้ำครับถามว่าอย่างนี้บาปไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนาให้ปลาตายก็ไม่บาป คุณมาตรีบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าอยากได้บุญใหญ่จะต้องทำบุญกระถิ่นยังน้อยสามวัดใช่ไ้มครับไม่หรอกทำบุญกระลงเยาบาลก็ได้สามลงเฮียบาลเลยก็ได้มันอยู่ที่ทำมากทำน้อยมันอยู่ที่ว่าทำกระถิ่นหรือหรือภาพ ป, ป่าหรือสันมรทานมันไม่เกี่ย ว, วมันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราบริจาคไปนั่นะเป็นตัววัดว่าบุญมากบุญน้อย เขาถามต่อบอกว่ารับกรถิ่นมาแต่พอดีว่าเอ็นขา่าอักเสบเดินวนรอบโบสถ์กลัวว่าจะเดินไม่ไหวจะขอถวายแต่ปัจจัยได้ไหมครับได้ตั ว, ตวสําคัญก็คือตัวปัจจัยนี้แหละไม่ใช่ตัวเดินรอบโบสถ์การเดินรอบโบสถ์ก็เป็นเป็นธรรมเนียมแสดงความเคารพพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเดินเหมือนกับเดินเวียนเทียนอย่างนี้เหมืนทักสินาศาสนาทักสินาแสดงความเคารพต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ คุณพัชรีครับทำอย่างไรใจเราถึงจะมีสติและสมาธิไม่ฟุ้งซ่านขอแนวปฏิบัติครับก็ต้องบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันพอเริ่มตาขึ้นมาก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลอะเปื่อยอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดคิดเท่าที่จําเป็นถ้าไม่มีการจำเป็นก็คิดก็หยุดถ้ามันอยากคิดเรื่องอื่นก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจะสงบได้ง่าย คุณโอ๋ครับหากสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วฝืนทํางานร่างกายยิ่งสุดการลาออกเป็นสิ่งที่ควรทําหรือควรอดทนทํางานต่อครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรหรือเปล่านั่นต้องงานสุขภาพหรือว่าเราต้องการไว้เงินเดือนเราะบางทีสุขภาพดีแต่ไม่มีเงินใช้มันก็ลําบากเหมือนกันถ้ามีเงินใช้แต่สุขภาพไม่ดีมันก็ลําบากเหมือนกันมันก็ต้องหาหาความพอดีหาความสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างนี้ สุขภาพก็ต้องดีเงินก็ต้องมีพอใช้พอกินพออยู่คุณสอนบอกว่าพรุ่งนี้ช้าพระอาจารย์ไปบินธบาร์ดไหมครับเป็นเป็นทุกวันถ้าไม่กิดเหตุสุวิสัยขึ้นมาคุณอนงบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าใครทำบุญมากได้บุญมากแล้วคนจนทําบุญน้อยจะได้บุญไหมครับได้เพราะว่าปริมาณนี่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขตัวเงนิน คนจนทำร้อยบาทจะได้บุญมากกว่าคนรวยทําล้านบาทก็ได้เพราะว่าสมมติว่าคนจนมีอยู่สองร้อยแล้วทําไปร้อยหนึ่งก็หมายถึงว่าเสียสละไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทำบุญไปห้าสิบเปอร์เซ็นแต่คนรวยมีห้าสิบล้านทําล้านเดียวเนี่ทําแค่หนึ่งในห้าสิบเท่านั้นเองในคนจนที่ทำร้อยร้อยบาทนี่ได้บุญมากกว่าคนคนรวยที่ทําล้านบาทแล้วเราดูที่สัดส่วนของการเสียสละทรัพย์สินของเรา เราเสียสละทรัพย์สินในสัดส่วนเท่าไหห้าสิบเปอร์ซนสิบเปอร์ซนยี่สิบเปอร์เซ็นตัวเลกมันจะไม่เท่ากันของแต่ละคนไม่เท่ากันเ้นคนจนนี่จะจะจ ะ, จะทำบุญได้มากกว่าในสารปีเพราะใช้เงินน้อยกว่าคุณจิกกี้ครับบอกว่าทำบุญกระถินและออกโรงทานออกทรัพย์และวัตถุดิบโดยให้เพื่อนช่วยแจกเพิ่มไม่สะดวกไปแจกเองได้บุญด้วยใช่ไหมครับ เราได้บุญในการเสร็นสละเงินทองส่วนเพื่อนเขาก็ได้บุญจากการช่วยช่วยช่วยเอาของไปแจกให้กับเราส่วนนี้เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําบุญคนละชนิดกันคุณโยโย่ครับขับขอปัญญาครับหากชาติภพนี้เรามีจริตนิสัยแบบใดหากได้ไปจุติใหม่จะมีจริตนิสัยติดไปคล้ายเดิมไหมครับติดไปด้วย ถ้าเราถนัดขวาเราก็จะไปถนัดขวาถนัดซ้ายเราก็จะไปถนัดซ้ายถ้าเราชอบดนตรีเราก็จะไปชอบดนตรีถ้าเราชอบกีฬาเราก็จะไปชอบกีฬาถ้าชอบวิชาการเราก็จะไปเป็นนักวิชาการเของที่มันเป็นนิสัยที่จะติดไปกับใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายกรับอาจารย์อยากรู้ว่าเทวดาที่ไปฟังธรรมกับพระอาจารย์มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ หรืปเปล่าครับเอเราไม่ได้เคยพูดเรามีเทวดามาฟังธรรมก่อนแล้วนะครับครูบาอาจารยถูกตามแต่ที่ได้ยินได้ฟังมาครูบาอาจารย์บางรูปท่านมีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ท่านก็มีเทวดาท่านก็บอกว่าพวกเทวดานี่เวลามาเพรบแเราก็มาในรูปร่างของของคนเนี่ยเป็นแต่งกายสุภาพใส่ชุดขาวเลยทธรรมนานี้สุภาพเรียบร้อยน่านดูน้านเนิ่มใสมีมารยาทที่ดีธรรมน์นี้ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถตัดพกตัดชาติได้ครับก็เนี่ยปฏิบัติทำปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจความอยากที่เป็นกิเลสคือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายความอยากม่อมอยาก้วยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหล่านี้เป็นตัวที่พาให้กลัมาเกิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ทําโรงทานด้วยตัวเองแต่ร่วมทําบุญออกโรงทานก็ได้บุญเหมือนคนที่เป็นผู้ทําโรงทานด้วยตัวเองหรือเปล่าครับเหมือนกันก็อย่างที่พูดนะมันอยู่ที่ทรัพย์ที่เราบริจาคไปเสียสละไปนะั่นเองคุณอ่อนครับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจิตสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรให้จิตเป็นกุศลก่อนจะเสียชีวิตครับก็ต้องฝึกจิตตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ ไม่มีสติมากๆถ้ามีสติมากก็จะสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบได้ถ้าไม่มีจิตก็จะถ่วงหน้าของความหลงทำให้หลง ล, งลงืมทำให้เพอเจอ้์ทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้งมากแล้วเวลาจะตายกาจะตายอย่างสงบได้คุณชาวินครับ ในชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รู้ทำบ้างถ้าในชาติต่ อ, ต อ, ตอไปมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทำที่เคยรู้มาก่อนนั้นจะยังรู้อยู่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเป็นเป็นในระดับไหนถ้าระดับความจํามันก็จะลืมได้ถ้าในระดับความจริงมันก็จะไม่ลืมระดับความจริงก็เกิดจากการปฏิบัติจากคุณธัญพรกลับขอปัญญาครับ ใช้ธรรมะใดที่จะทําให้เราปล่อยวางกับเรื่องที่เข้ามากระทบใจและให้เราเรียกสติกลับมาได้เร็วๆครับทุกอย่างไม่เที่ยงนี่เกิดในดับเป็นธรญญาเป็นของชั่วคราวให้สอนใจไม่มียอะไรยั่งยืนถาวร อ, อยู่กับเราชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ต้องจากเราไปเราควบคุมมันครมันไม่ได้อห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ทำให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ คุณเล็กครับคนที่สมองตายแต่ยังมีลมหายใจอยู่เมื่อจิตออกจากล่างจิตจะไปที่ไหนครับจิตังไม่ไปหล้วเดีวก่นจะหมดลมหายใจเมื่อร่างกายหยุดทา ง, งานนะจิตถึงจะถึงจะแ ย, ยกออกจากร่างกายไปก็ไปตามบุญตามบาปก็อยู่ในโลกทิพย์มนุษ์มุ่งแค่ทำให้เจริญความสุข มาว่าจะทําให้เจอแต่ความทุกข์คุณนัทวะลายพัน์ครับเมื่อร่างกายตายแล้วเวทนาสัญญาและสังขารก็ดับลงด้วยใช่ไหมคงเหลือแต่วิญญาณที่รอการเกิดใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ล่ะสัญญาเวทนาสัญญาสังขารที่อยู่ในจิตไม่ได้อยู่ที่ในร่างกายอืมไม่เวทนาสัญญาสังขารไปกับจิตในร่างกายมีแต่ดินน้าลมไฟ คุณคุณพัดสอนครับทําจิตให้ผ่องใสคือเวลาที่ทุกข์ที่เครียดให้เราใช้สติหาเหตุและเรียนรู้ปล่อยวางอดทนแล้วตั้งจิตใหม่ใช่ไหมครับหรือต้องทําเช่นไรอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําเพราะตอนนี้ทุกครั้งที่ปฏิบัติหรือรู้ตัวจิตจะเศร้าหมองเบื่อหน่ายครับถ้าใช้ความคิดทําให้จิตสงบได้ก็ก็ใช้ไปเขาเรียกว่าปัญญาถ้าชคิดไม่เป็น ขึ้นให้จิตสงบผ่องายไม่เป็นก็ต้องใช้อาศัยอาศัยสติใช้สติเช่นคำบริกรรมพุทธโทพุทโธคือการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบจิตก็จะก็จะผ่องายขึ้นมาได้ชั่วคราวก็มีสองวิธีวิธีแห่งปัญญาก็ต้องวิเคราะห์แล้วปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ให้ได้ถ้าปล่อยวางได้จิตก็จะหายทุกข์หายเศร้าสศกหายเสียใจ คุณมะขามหวานครับสวดเมตตาใหญ่ที่บ้านบ่อยๆได้ไหมครับสวดบนไหนก็ได้ทั้งนั้นสวดที่ไหนก็ได้การสวดก็เป็นการจาริญสติอย่างนึงคุณชัยยศครับขอโอกาสครับหากนั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบแล้วต้องทำอย่างไรต่อเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติครับให้สงบเปนนานๆถ้ามันสงบจริงก็จะไม่อยากจะลุก เพราะความสงบนี้มันให้ความสุขเรายอย่างมากจดจ่ใจคุณสีดาจันทร์ครับลูกสาวเรียนอยู่ม .6 ครับกังวลลุ้นกับลูกช่วงนี้ลูกอยากสอบติดหมอเป็นห่วงลูกมากๆตอนนี้ถ้าทำบุญบริจาคเงินให้โรงพยาบาลตามกำลังศรัทธาเป็นประจำและอธิษฐานให้ลูกจะช่วยส่งผลบุญให้ลูกได้บ้างไหมครับไม่ได้น่นคนละเรื่องกันนะ เรื่องทำ บ, บุญก็เรื่องขอมเรื่องของความสุกใจเหงื่อใจของเราไม่เกี่ยวกับโลกเลยถ้าอยากจะให้ลูกสอบเข้าได้ก็ส่งไปเรีย น, เ ร, ยนเรียนพิเศษเนีอยากให้ลูกไปเที่ยวอยากให้ไปเทเลทเทลายไปชอปปิ้งไปนู่นมานน่พอกลัมายาของเรียนก็เรียนพิเศษต่อเลยถ้าอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะเข้าได้เหมือนผมสมัยก่อนครับอาจารย์ <laughs> ไม่มีโอกาสเที่ยวเล่นอะไรเลยเ <laughs> พราะแม่บังคับแน่ เพรตฉะ น, นั้นตอนนั้นทำเองครับอาจารย์ตั้งใจมามมเพราะแม่ไม่คอ่อืเพราะรู้ว่าจำเป็นจะต้องเรียนใช่ข<ช>ึ้นครับคุณไตเติลครับจิตดวงนี้ไม่อยากเกิดแล้วฝึกสมาธิพิจรารณาร่างกายซ้อมตายคือถูกไหมครับรู้สึกว่าไม่มีความยินดีในการเกิดครับคือความไม่ยินดีในตอนนี้มันเป็นเรื่องอารมณ์ชั่วคราวไม่ใช่เป็นของจริงเพราะฉนั้น ถ้าไม่อยากจะเกิดจริงก็ต้องไปไปอยู่แบบนักบวชได้เพราะคนที่เขาไม่อยากจะเกิดส่วนใหญ่พอเข้าวนรูเป็นผ้าหลังแล้วเขาก็บวชกันนั้นเขาไม่อยู่เป็นคาราวาอต่อไปทพรากันอยู่แบบคาราวาแสดงว่าก็ยังมีความติดอยู่กับการเกิดอยู่นั่นเองยัง่อยากจะหาความสุขในรูปแบบของคาราวาอนู่ถ้าไม่อยากจะเกิดจริงสิ้นกิเลสจริงก็จะไปบวชกัน งานสมาพุทธการเวลาใครบรรูุธรรมปับ๊บจะขอพระเจ้าบททันทะีคุณเขมจิลาครับการสารภาพบาปแบบฝรั่งสารภาพแล้วสบายใจจะเหมือนกับการทำจิตใจให้ผ่องใสหรือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ัหมครับมันคนละเรื่องกันการสารภาพนี้เพื่ป็นการประจานตัวเราเพราที่เราจะได้มีความรู้สึกอบับอายขายหน้าเราจะไม่กล้าทาอีก พระก็ยัสรภาพที่บวชนี่ก็ต้องมีการสารภาพบาปเหมือนกันแต่ไม่ได้มีการน้างบาปแต่อย่างไรเป็นการประจาประอาจารจาตัวเองว่าได้ทำสิ่งที่ผิดไม่น่าสิ่งที่น่ามายขายหน้าแล้วก็พยายามจะพยายามไม่ทำอย่างต่อไปอันนี้มันก็ทำให้สบายใจได้อย่างหนึง่งแต่ส่วนเรื่องของการทำจิตใจผใ่องใส เนือให้บริสุทธินี้เกิดจากการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาครับการเล่นเกมออนไลน์ถือว่าเป็นอบายามุกไหมครับถ้ามีการพนันเกี่ยวข้องด้วยมนก็เป็ น, น, ปนถ้ามีมีการได้ได้เสียเป็นเงินทองได้มามก็ถือว่าเป็นการพ น, านันอย่างโดยใช้โดยใช้เกมเป็นเป็นเครื่องมือ ดูไก่ชนก็ยังเป็นการมานานได้ไงบ้าไก่ชนแข็งมา่าม้าแข็งไหออตเตอล็ออต อ, อตเตรี่นี่ก็ัเหมือนกันคุณตะวันครับอยากถามพระอาจารย์ครับพอดีน้องที่เป็นญาติญาติกันอายุยังไม่เยอะก็ส่งอุบัติเหตุเรื่องรมในห้องน้ำและเสียชีวิตตามประสาชาวบ้านนอกว่าจะไปหาหมอดูหมอเดาอะไรของเขาหาพบ พพ่อก็บอกว่าดวงจิตวิ ญ, ญญาณของเขายังไม่ไปไหนไม่มีที่ไปก็ยังไม่ถึงเวลาตายเขาเพิ่งจะอายุ44ปีจริงๆแล้วเขาไม่มีที่ไปจริงๆหรือว่าอย่างไรครับมีมีบุญหรือบาป พ, พาไปอันนี้เป็นความคิดของคนที่ไม่รู้เรื่องทนั้นเอง ค, คิดไปเองคิดไปเองแต่พอ ร, าาร่างกายตายไปปับ๊บดวงจิตในใน ด, วดวงใจหรือดวงวิญญาณนี้ก็จะถูกบุญหรือบาปเป็นผู้จัดการพาไปต่อ คุณอ้อยหวานบอกว่าค่ามดทุกวันเลยครับมดเต็มบ้านเลยครับอย่างนี้เป็นบาปมากไหมครับก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดตามจํานวนที่เราค่าเขาแล้วนะค่าสิบดวงก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดสิบครั้งคุณวิลันครับถ้าเราทําบุญกับพระเป็นข่าวแล้วถูกประราชิกอย่างนี้เราได้บุญไหมครับ ตอนที่เราทำถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นพระเป็นบาิก็เราก็ได้บุญแตนถ้าก็เป็นปราชิกเรามารู้ที่หลังนี้บุญที่เราทํำก็ยังเป็นบุญอยู่เหมือนกันคุณคุ ณ, คณพัฒน์สอนบอกว่าความโชคดีที่สุดของชีวิตคือการได้พบพระพุทธศาสนาและได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับนี่แหละการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากเพราะถ้าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คงยังไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา เชมาเกิดเป็นชุนัขในวัด น, นี่เจอศาสนาก็ไม่สามารถรับประโยชน์จากการมาเกิดเป็นชุนัขได้เพาสุนัขฟังความภาษาธรรมไม่รู้เรื่องหรือมาเกิดเป็นมนุษย์มาเจอเพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจเข้ามาศึกษาก็ไม่เกิดประโยชน์เลยคะ่ะคุณอัญชีสาครับสวดคาถาเงินล้านจะทําให้จิตสะสมความโลภไหมครับ ก็มันมันก็บอกว่ากระฐาเงินล้านสวดไปเพื่ออะไรก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้เงินล้านหรือเปล่าถ้าอยากได้มันก็โลกถ้าเราสวดเพื่อทําจิตให้สงบก็ไม่เป็นไรก็ไม่โลกแล้วแต่สาเหตุของการสวดของเราว่าสวดเพื่ออะไรสวดเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่โลกแต่ถ้าสวดเราหวังว่าวันนี้ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ห น, นึ่งอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าโลก คุณสวยครับอ๋ออันนี้บอกว่าขอบคุณทีมงานที่เป็นส่วนหนึ่งกําลังใจเล็กๆแต่ซาบซึ้งในความตั้งใจของทีมงานที่มีส่วนอย่างยิ่งที่ทําให้ดิฉันสามารถปฏิบัติทรรมได้เต็มรูปแบบมากที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เคยได้พยายามทํามานะครับคุณพลรดาครับขอพระอาจารย์สอนวิธีท่องพุทโธแบบที่ถูกต้องครับมันไม่มีแบบถูกต้องหรอให้คิดไปในใจอยู่เรื่อย พุทโธพุทโธไปภายในใจให้มากให้นานที่สุดในช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในการทํางานทําอะไรต่างๆต้องใจเช่บไปคิดเพื่อเจอ้อคิดเพื่อฝันไม่คิดไปคิดสร้างความมุ่นวาจใจให้กับตัวเองก็ใช้พุทโธพุทโธไปท่องภายในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้นะแต่เรา การดูแลร่างกายผิวพรรณให้แข็งแรงสวยงามตามกำลังถือเป็นการไม่ยอมปล่อยวางใช่ตามพุทธศาสนาหรือไม่ครับก็ยัง ห, หลงหลงรักร่าง ก, กายอยู่ยังหลงรักความสวยงามของร่างกายอยู่ซึ่งจะต้องทำให้ทุกใจวันหนึ่งข้างหนาเวลาที่มันไม่สามารถทำให้ร่างกายนี้สวยงามได้นะ คุณเปเปอร์ครับหากลูกไม่สามารถทำตามความต้องการใ้พ่อแม่ได้แล้วลูกทำอีกทางหนึ่งที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะความอยากแบบนี้ถือว่าลูกเป็นบาปหรืออักตันยูไหมครับไม่เป็นนะพระพุทธเจ้าก็ไปบวชนี่ก็ทำให้พ่อเสียใจเพราะพ่ออยากจะให้อยู่เป็นมาจากกักรพรรดิแต่ใจพระพุทธเจ้าอยากจะหลดพ้น มันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่เป็นบาปเอี่างใอย่างไนใดเพราะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนมันเป็นต้นหาความอยากของเขาเองที่เขาไม่ได้ดังใจอยากเขาก็เลยเสียเสียใจถ้าเราไม่เคยเข้าร่วมงานกรถินเลยเป็นบาปหรือไม่ครับแล้วจะไม่ได้ไปสวรรค์หรือเปล่าครับรไม่เกี่ยวกันเราทําบุญอย่างอางื่นก็ได้ใส่บาตรแทนใส่บาตรก็ได้ไปสวรรค์ถอย สังฆทานก็ได้ทํำมันก็นลงพยาบาลก็ได้ให้ขอทานก็ได้มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นการทาบุญทั้งนั้นแหะคือการให้มันจะไม่มาจะต้องเป็นภา้ากระถินอย่างเดียวคุณวินครับผมพยายามฝึกสติทั้งวันแต่บางครั้งยังมีโกรธและเสียใจถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วบางทีคิดวนๆซ้ําๆแต่พอรู้เท่าทานบางครั้งก็ภาวนาต่อ แต่ตอนที่ภาวนาก็ยังรู้สึกถึงอารมณ์โกรธแต่ใจอยู่กับการภาวนาควรฝึกยังไงต่อครับก็ภาวนาไปเรื่อยๆมันต้องใช้เวลาบ้างไม่ใช่ภาวนาปุ๊บแล้วครับโกรธมันจะหายไปเลยเหมือนกินยานกินยานปุ๊บมันไม่ทําให้อาการปวดหายไปทันทีอันต้องกินหลายหลายเม็ดด้วยกันกว่าจะทําให้อาการปวดหายได้การภาวนาก็แบบเหมือนกับการกินยานเนี่ยต้องกินไปเรื่ยอยๆภาวนาไปเรื่อยๆ เดี๋ยวไม่ช่าก็เร็วความโกรธมันก็จะหมดกำลังไปเองหายไปเองเริ่มฝึกนั่งสมาธิมาประมาณสี่เดือนกว่าๆครับยังจับต้นชนปลายไม่ถูกอยากขอคนแนะนำพระอาจารย์สลหรับผู้ฝึกใหม่ๆด้วยครับต้องพยายามฝึกสติให้มากๆไม่เฉพาะแต่เวลานั่งต้องพยายามฝึกทั้งวันเลยให้จิตในนายดึงผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิด ใช้คำบรกรคมพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวหการกระทำของร่างกายตลอดเวลาก็ได้ถ่าเราสามารถฝึกสติแบบนี้ได้เวลามานั่นสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานคุณจาจ้าครับที่ว่าไม่มีตัวเราไม่มีของเราเวลาจิตไปเกิดใหม่ก็ไม่ใช่จิตของเราใช่ไหมครับจิตมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่มันก็ไปเกิดใหม่ การนั่งสมาธิจนเข้าสู่ผวังต้องมีสติกำกับอยู่ไหมครับต้องมีถ้าไม่มีสติก็จะเข้าผวังหลับไม่รู้สึกตัวส ง, งเหมือนกันสงบแบบไม่รแบบู้เรื่องเรียกว่าหลับคุณชยาดามีมีเพียนครับท่านให้จิตใจสงบสุขท่านตายละโลกไปแต่จิตวิญญาณของท่านยังกลับ มาชี้ทางช่วยเหลือฉันออกนี่เห็น่าจะคอมเมนต์ครับอาจารย์เราจะวางจิตยอย่างไรเมื่อเราทํางานร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวครับก็ปล่อยเข้าไปเราห้ามเขาไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนกับเราทํางานกับสุนัขเราจะให้เสุนัขก็เป็นเป็นแมวก็คงเป็นไม่ได้เราจะให้สุนัขเป็นเหมือนเราเป็นมนรถย์มันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็อยู่ร่วมกันทํางานกับสุนัขได้ เป็นคนที่เขาใช้สนักไปช่วยค้นหาซากคนที่ติดอยู่ในตตกอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็ไม่หวังให้สนัขมาเป็นเป็นมนุษย์ใช่ไหมล้วก็อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้คนเห็นกับตัวแล้วก็ทางานกับเขาได้บา้ก็เห็นกับตัวไปไม่ใช่เรื่องของเราพวกนักการเมืองที่ชอบโกงกินต้องตกนรกใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าทแบบ ด้วยสาเหตุนะถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาลอันนี้ต้องไปตกนรกเช่นไปฆ่ากันเนี่ยแต่ถ้าไปกงเกินเนี่ยอาจจะไปเป็นเปรตไงเขาเรียกว่าเปรต เ, เวลาที่ยุงกัดแล้วตบยุงตายเป็นบาปไหมครับแล้วยุงกัดเราอย่างนี้ยุงบาปไหมครับ ก, ก็บาปด้วยกันทั้งสองฝ่ยายนะฮะแล้ก็บาปที่มากินเลือดของเราขโมยเลือดของเราไป แล้วก็บาปที่ไปฆ่าเขานี่นายนายบาปมากกว่ากันบาปรักทรัพย์กับบาปฆ่าในนี้บาปฆ่ามันหนักกว่าถ้าเราใส่บาตรพระแล้วพระให้ของเราแล้วเรานําไปใส่ต่ออย่างนี้เราบาปไหมไม่บาปมันสิทธิ์ของเราแล้วพอใครให้อะไรเรามาแล้วเป็นของเราแล้วให้เหมือนสมัยนี้เดีย๋ยวนี้มีการทําบุญแล้วของเราวเงินคือนี้ บริาจากทราบเวลาขอเงินคืนเนมันไม่มีหรอกเพราะมันของที่เราให้มันมันไม่ใช่เป็นของเราแล้วอย่างเช่นอาตมาให้ให้เงินคุณหมอไปเนี่ยก็หมดแล้วเราไปทวงคืนไม่ได้หรอกความจริงเพราะมันเป็นของคุณหมอแล้วครับจิตผู้รู้และสติ นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรถ้าเจริญสติได้ต่อเนื่องตลอดเวลาทุกลมหายใจจะสิ้นตันหาได้ไหมครับได้แต่ยังไม่สิ้นทันทีมันต้องผ่านขั้นบรรยายขั้นหนึ่งก่อนถึงจะสิ้นได้สติเพียงดหยุดตันหาความอยากไม่ชัว่วเก่าส่วนตัวรู้กับสติก็คือเป็นตัวที่สติเป็นตัวคอยดึงให้ความให้ตัวรู้ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียว ไม่ให้ไปรู้อยู่กับหลายเรื่องสติมีหน้าที่คอยเหมือนกับว่าคอยดึงตัวรู้ให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทําอะไรอยู่แต่ตัวรู้บางทีมันถูกกิเลสดึงให้ไปรู้เรื่องอื่นด้วยตอนเราทํางานถ้าเราไม่มีสติเราก็อาจจะทำํำพลาดพลาดได้ว่าทํางานไปก็ตัวรู้ก็ไปอยู่ที่อื่นแทนที่จะอยู่กับงานที่เราทำํำแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะดึงตัวรู้ให้อยู่กับหน้าที่เราทำเพียงอย่างเดียวได้ ตัวรู้ไม่ได้ทำงานได้ถูกต้งองเพราะผู้ที่กระทำก็คือตัวรู้นี่เป็นผู้กระทำคุณป่าบเบวีครับชาตินี้ขี้โรคครับเราทำกรรมอะไรไว้ครับอาจจะทำบาป บ, าบาได้แบบหนึ่งอันนี้สองของคนที่มาเกิดก็มีโครคภัยไข้เจ็บเบนเบียบ็กจากการที่เราไปทำบาปทำกรรมกับผู้ก่นเล้ว หลูสงสัยว่าเวลาเราเดินจงกรมเราจะได้แค่สติว่านิ่งจดจ่อกรรมฐานเช่นพุโทโธเท่านั้นใช่ไหมครับแต่เราจะไม่รู้สึกโล่งสบายใจมีความสุขเหมือนนั่งสมาธิใช่ไหมครับถูกต้องแตก็ได้ความโล่งมากแต่ไม่เท่ากับการนั่งสมาธิอาจจะเดินจงกรมมัจจะได้ความสงบประมาณห้าสิเอร์เซนต์แต่ถ้านั่งสมาธิมันจะได้น้อยเปอร์เซ็นตัวความยาก กับความโลภแตกต่างกันอย่างไรครับตัวเดียวกันแหละความอยากคุณแมนครับบอกว่าเคยบอกว่าเราเลือกกรรมเองแล้วทําไมเราเลือกวันตายไม่ได้ล่ะครับเพราะเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเรววาคนย้อนใจเลือกก็เลือกได้คนที่ข้าตัวตายเขาก็เลือกได้แต่มันเป็นการกระทําบาป ไม่ควรกระทำเพราะไม่เกิดประโยชน์เ ก, เกิดโทษกับจิตใจเพราะทำให้จิตใจจะต้องไปรับผลบาปที่กระทำจากการฆ่าตัวตายของตนเองเจ้าชายสิทธัตถะตามหาสิ่งที่ตรงข้ามกับการเกิดแก่เจ็บตายคือผู้รู้ใช่ไหมครับคือการไม่มาเกิดการไม่มเกิดต่างหากที่จะทำให้ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมา เวลาท่องพุโทโธต้องกำหนดลมหายใจแบบไหนครับแล้วแต่เราจะบางคนใช้หายใจเข้ า, าพุทหายใจออกเขาว่าโธบางคนก็ไม่ไม่ไม่ดูลมเลยก็ได้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวก็ได้แต่จะทำน่าแต่จะใช้วิธีต่างกันแล้วแต่ความพอใจ แนวทางการตัดความอยากควรพยายามอยู่ตามลำพังในที่สงบเช่นอยู่ภายในบ้านไม่พบใครใช้ชีวิตอยู่ใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งวราเวลาเราเห็นอะไรแล้วมันจะเกิดความอยากง่ายๆเห็นทะเลไม่ไเห็นอะไรความอยากมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้จากความคิดของเราแล้วถึงแม้เราไม่เห็นอะไรบาทีเราก็คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากความอยากก็เกิดขึ้นมาได้ เมื่อราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ยังต้องมาคอยอยุดความคิดอีกทีนึงโดยทั้งยึดความอยากได้อย่างเต็มที่ผู้สูงอายุ92ปีมีอาการอ่อนแรงเหมือนใกล้จะเสียชีวิตเราควรจะดูแลท่านอย่างไรให้ไปอย่างสงบที่สุดครับเราดูแลด้า น, น, านาทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนี้เป็นเรื่องของของตัวท่านเองจะต้องมาไปดูแลเรื่อร่างกายแล้วก็ช่วยดูแลให้ท่าน อยู่อย่างสุขอย่างสบายมีน้ำมีอาหารมีอะไรตามความต้องการใจจะสงบไม่สงบนี่มันเรื่องของของตัวท่านเองถ้าไม่ได้ฝึกสติปล่อยให้ใจคิดกังวลมันก็ไม่มันก็จะไม่สงบส่งลูกชายสองขวบไปโรงเรียนครับแต่ว่าเป็นห่วงมากๆเลยครับจะต้องทำอย่างไรดีครับ เพราะเราอยากจะให้เขาปลอดภัยนั่นเองเราก็ต้องมองความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นเราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันสร้างความปลอดภัยให้เขาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยที่อาจจะต้องทำให้เกิดเกิดภัยอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ต้องทาใจอยอมรับความจริงอันนี้เราก็จะหาโ่โงนคุณอังคณาพรครับ การพิจารณากายส่วนใหญ่ให้พิจารณาส่วนไหนก่อนครับคือมีหลายมิติที่เราต้องรู้จักมิติแรกก็คือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของร่างกายเราก็ต้องดูว่าร่างกายเกิดมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่และคนแก่ก็เป็นคนเจ็บเป็นคนตายอันนี้คือขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจไม่ยอมรับให้ได้ ร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาวิธีที่สามก็ดูว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราก็ค้นหาดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในอาการในร่างกายนี้ในร่างกายท่านก็บอกว่า ม, มีแค่อาการ32อาการต่างๆเราก็ลองแกะออกมาดูเอาอาการต่างๆแยกออกมาเป็นกองๆไว้แล้วถามด้วยกองไหนเป็นตัวเราว่ามั น, มนก็จะไม่มีหรือว่าจะแ ย, ยกเป็นแบบาธาตุก็ได้ เนลาร่องกายเกิดขึ้นก็ต้องมีธาตุสี่มาผสมกันถึงจะทาให้เกิดร่ากายขึ้นมาได้ในเวลาเจริญเติบโตก็ต้องมีธาตุสี่คอยเติมลมก็ต้องหายใจเข้าน้ำก็ต้องเดือดเข้าไปอาหารซึ่งเป็นธาตุสี่ก็ต้อคอยเติมอย้่เรยไฟก็คือความร้อนของของของดวงอาทิก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆอันนี้ทําให้ร่างกายเติบโตขึ้นมาได้แล้วพอร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่ที่มนันรวต่อกันก็จะแยกทางกันออกไป อันนี้เพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวตนเป็นเพียงธาตุสีนิ่มน้ำดูไฟไม่เป็นอาการสาสิบสองแล้วก็อีกมิติหนึ่งที่เราต้องศึกษาคือร่างกายไม่สวยไม่งาม <S <S คือมีทั้งส่วนที่สวยแล้วมีส่วนที่ไม่สวยเรามักจะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามก<ๆ>็เลยทำให้เราหลงรักร่างกายของคนนั้นคนนี้ถ้าเราไม่อยากจะลงรักใครเพราะรู้ว่ารักเขาแล้วถ้าเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจได้ แก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเช่นเข้าไปดงอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นเอวเยัยวะต่างๆพอเราเห็นเอวัยต่างๆที่ไม่สวยงามของร่างกายเราจะได้เริ่มหลงรับคนนั้นคนนี้ได้เราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจเวลาที่เขาไม่รักเราหรือเวลาที่เขาจากเราไปมี <c oughs> นช่วยมิติต่างๆที่เราต้องศึกษาทําความเข้าใจเพื่อปกป้อง ใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับกับกับร่างกายเพรานาเราจะไม่เราจะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราจะได้ไม่ทุกข์กับการที่ไปถือว่าเขาเป็นตัวเราของเราเราจะได้ไมทุกข์กับการไปดองนั่นเขาชอบเขาเพราะเขาว่าเขาง่าดูง่าชมเป็นต้นขออากาศครับเวลาใจเหมือน เวลาใจมันเหมือนคือร่างมันร่างกายมันแข็งแรงแต่ใจมันหมดแรงควรทําอย่างไรครับเพราะเคยเป็นจนเกือบเสียศรัทธาไปหาแนวทางอื่นแล้วครับวิธีที่จะทําให้ใจมีพลังกลับมนมาก็คือต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะศึกษาประวัติของท่านกันไนดะ้ศึกษาคําสอนของท่านกันไนดะ้หรือเข้าไปศึกษาอย่ในสํานักของท่านกันได้จะเห็ น, น เห็นได้ยินได้เข็นการกระทำของท่านแล้วมันก็ตทำให้เราเกิดความนิ่งใสศรัทธาขึ้นมาในการทําความดีเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามคําสอนของท่านได้ต่อไปเมื่อได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วเราก็จะมีพลังใจเราก็จะมีกําลังที่เราเรียกว่าอินสี่ห้าเนี่ยต้องพยายามเจริญอินรียห้าศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีธรรมเหล่านี้แล้วใจเราจะมีพลัง ไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานครับก่อนกลับจะทําความสะอาดห้องล้างห้องน้ําทุกครั้งบางทีเผลอไปข่ามดเหยียบมดอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปชาติแรกที่เราเกิดใครเป็นคนกําหนดให้เราเกิดมาในโลกนี้และให้เกิดมาเพื่ออะไรครับไม่มีใครรู้หรอกชาติแรกทไมแต่พระอาจารย์ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องรู้ ประเด็นจังการก็ต้องใช้คำว่าคือทําังไงให้ใจเราไม่ทุกข์แค่นั้นเองตอนนี้ใจเราทุกข์เป็นเหมือนของคนไข้เนี่ยเวลาไปหาหมอไม่ต้องไปถามหมอว่าผมมาจากที่ไหนเกิดมาจากใครพ่อแม่เป็นใครหมอยอยากจะรู้ว่าหมอรักษาให้ผมหายได้หรือเปล่า ุณศิรวิทย์บอกว่าพระอาจารย์ตอนอยู่บนเขาช่วงแรกๆมีไฟฟ้าใช้ไหมครับถ้าไม่มีพระอาจารย์ใช้อะไรให้แสงสว่างตอนกลางคืนครับก็ไม่มีมาตลอดตอนถึงเนี้ยนี้ก็ยังไม่มีอยู่บนบนเขาเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้เราใช้ไฟฉายบ้างใช้แสงเทียนบ้างพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วเหนื่อยไหมครับถ้าเหนื่อยแล้วแก้ตัวแก้ตัวเหนื่อยอย่างไรครับ พอท่าดีแล้วไม่เหนื่อยว่ามันได้ผลคือความสงบซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งจะมีกาลังมีพลังมากขึ้นไปสี่คุณบาครับบอกว่าอยากไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดครับแต่ว่ากลัวผีครับก็ต้องเข้าใจเรื่องของผีว่ามีอยู่สองผีด้วยกันผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริง ผีจริงก็คือดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเขาก็จะไปเกิดตามบุญตามบาของเราส่วนผีที่หลอกนี้ก็คือใจเราหลอกตัวเราเองคิดไปเองพอไปอยู่ที่ไหนเปลียวๆคนเดียวนี้พอได้ยินเสียงปัาอกผีมานะไหว้อะไรไหมไหมไหว้กิ่งไม้ใหวนะ้ไหนก็ผีมานะอันนี้เราเป็นผีหลอกไม่ใช่เป็นผีจริงผีจริงไม่หลอกวิญญาณไม่จริง ถ้ายังมีภาระต้องเลี้ยงดูมด า, ารดาไวยชราเราก็ต้องทำไปก่อนใช่ไหมครับตั้งใจว่าจะดูแลมารดากระทั่งท่านเสียชีวิตแล้วจะไปบวชปฏิบัติธรรมผมทำแบบนี้ได้ใช่ไหมครับได้แล้วอาจจะทำครอบครัว ไ, ไปก็ได้เราไม่ไดูแลมรรดาทั้งวันทั้งคืนช่วงที่เราว่างเราก็มาอ่านหนังสือวิธรรมมาศึกษาวิธีปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติถ้าที่เราจะทำได้เปทำก่อน ดีกว่าที่จะมารอให้เสร็จปา้ะแล้วค่อยไปทำเพราะว่าจะไม่ทันการมีคนคอมเมนต์ว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาทพระอาจารย์เต็มเลยนะครับอาจารย์พระบ้อพรุ่งนี้พระอาจารย์เจ็สิแปดปีเต็มครับคุณวินครับพ่อจากไปหลายปีจึงฝึกสติสมาธิจนอาการดีขึ้น แต่ช่วงนี้เริ่มกลับมาเศร้าและโกรธพ่อที่จากไปบ่อยขึ้นควรทําอย่างไรจึงจะปล่อยวางจากความทุกนี้ครับเพราะตอนพ่ออยู่รู้สึกอย่างเลี้ยงดูไม่ดีพอครับก็อย่าไปคิดถึงเรืงพ่อเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องของพ่อคิดแล้วเศร้าเราก็หยุดคิดนะใช้พุโทโธพุโทโธนะครับทุกครั้งที่เราคิดเรื่องของพ่อเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนแล้วความเศร้าความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้น อยากจะได้หลานครับพยายามไปตักบาทรักษาศี่ห้าช่วยได้ไหมครับไม่ได้เนาะต้องถามหมอดีกว่าบุญที่เกิดจากการไปทอดกระถิ่นซึ่งเกิดปีละครั้งกับการอยู่ดูแลพ่อที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลอย่างไหนมากกว่ากันครับก็อยู่ที่การเสียสละของเราอันไหนมากกว่ากันเนี่ยถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่เราต้องเสียไป กับการดูแลพ่อกับการํำมุนกถินตอนนี้ทำครั้งเดียวแต่เราทำมากมากเลยนมันก็อาจจะมากกว่าได้มันอยู่ที่การเสียสละประโยชน์ของเราให้กับผู้อบบื่นว่าแบบไหนจะได้มากกว่ากันถ้าเราเชื่อว่าชาติหน้าไม่มีจริงอย่างนี้เป็นบาปไหมครับเป็นความหลงเพราะมันเป็ น, นการปฏิเสธ ความจริงความจริงก็คือตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่มันก็จะทำให้เราไม่สามารถทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราได้เพราะเราต้องทำในสิ่งที่มันไม่ไไม่เป็นความจริงนั่นเองถ้าเราคิดว่าเราชาติหน้าไม่มีเราก็จะกล้าทำบาปเพราะเรารู้ว่าทำบาปแล้วไม่มีผลตามมา ทำบาปแล้วมันได้เงินได้ทองง่ายกว่าการไม่ทําบาปเราก็จะเลือกทําบาปแต่พอทําบาปความจริงมันมีชาติหน้ามีตายไปตั้งแตเป็นเดรัจฉานอย่างนี้มันมีตามมาแต่ถ้าเราเชื่อว่ามีเราก็จะ ไ, ไม่กล้าทําบาปเราก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลของของบาปที่จะตามมาต่อไป จิตไม่มีวันตายและไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจิตจะไปอยู่ที่ใดครับพระอาจารย์ก็อยู่ที่เดิมจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาเนยเหมือนไม่เหมือนไม่มีขนาดเหมือนร่างกายที่ต้องมีสถานที่อยู่เราก็เรียกว่าอยู่ในโลกทิพย์นั่นเองคุณปิยะลักษณ์ถามว่าการที่เราเห็นแม่ลูกทะเลาะกันบ่อยเตือนสติได้อย่างไรครับก็การทะเลาะวิวาดไม่ดีะ ก, ก่อกาเกลียดกันไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ชู้ักกันดีกว่าสำให้คี้กันดีกว่าได้อ่านคําเทศของพระอาจารย์ว่าในโลกนี้คือสิ่งสมมติทั้งนั้นอยากให้พระอาจารย์เทศอธิบายแล้วทํายังไงถึงจะเห็นได้เหมือนพระอาจารย์ครับว่ามันเป็สิ่งสมมุติครับอ๋อทุกอย่างมันทํามาจากดินน้ําลมไฟท่าจะเป็นแค่ทาสีดินน้ําลมไฟกับทานรู้ที่มบบ มาเชื่อมต่อมาปฏิสัมพันธ์กับร่างกายทีหนึ่งเราก็มาสมมุติว่าร่างกายคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้มีครอบครัวมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าดลงไปตามนี้เราเป็นสมมุติเท่านั้นการเล่นหุ้นเทรดหุ้นเป็นการพนันผิดศีลไหมครับเราจะเราเล่นแบบไหนเล่นแบบลงทุนก็มีลงลงทุนท้าขายซื้อซื้อมาขายไป ซื้อมาพอกําไรได้กําไรก็ขายไปอันนี้ก็เป็นการค้าขายก็ได้มันจะเล่นแบบเก่งกําไรคิดว่าอันนี้จะขึ้นทุ่มเข้าไปมันไม่ขึ้นมันลงซะอีกบล้วแล้วก็มันก็เหมือนการพนันเหมือนแทงหวยแทงอะไรทำเงอนนี่มันขึ้นอยู่ที่วิธีของการเราเล่นกับมันว่าเราเล่นแบบใช้วิชาการหรือเปล่าเล่นตามหลวิชาการตามตาเหตุตามผลก็ไม่ใช่เป็นการพนัน ทำไมการเกลียดคร้านจึงเป็นอบายมุขครับเพราะมันทําให้เราไม่ไม่ไม่ไม่ไปทํางานเมื่อเราไม่ทํางานเราไม่มีรายได้ล้วก็ไปขโมยหารายได้ในวิธีไม่ชอบเพราะคนขี้เกียจไม่ชอบไปทําหาหาเงินแบบง่ายๆค่ายาเสพติดค้าอะไรทำนทําร้องต่างๆเล่านี้ก็เกิดจากควาเกลียดคร้านที้จะไปทํางานทําการ แมวเพิ่งตายไปครับเขาจะไปเกิดเลยไหมครับเขาไปเกิดเลยแต่เป็นน้ำเลื่อยไปเกิดเป็นอะไรเท่าั้นเองพระอาจารย์ช่วยสอนการทําเจริญสติด้วยสัมปชัญญะครับคือคําว่าสัมปชัญญะแปลว่าสติที่ต่อเนื่องไม่เพอเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ไปฝ่าให้ใจไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เขาเรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะ แต่ถ้าเราเผลอลืมพุทโธปบปล่อย ไ, ไ, ไปคิดถึงเรื่อง น, น, นั้นนี้แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วไม่มีสัมปชัญญะแล้วสติไม่ต่อเนื่องจิตสุดท้ายก่อนตายถ้าจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าและความดีที่เคยทำก็จะไปพบภูมิที่ดีใช่ไหมครับถึงแม้คนนั้นจะเคยทำแต่ความไม่ดีเอาไว้ครับไม่ใช่หรอกอยู่ที่บุญที่บาปที่ได้สะสมไว้ในจิต การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเพราะเหตุใดครับเพราะความอยากอยากเสีงรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เป็นช่วงที่บุญกับบาปในจิตใจมันเท่ากันไม่สามารถไปเกิดในสวรรค์ได้ไม่สามารถไปเกิดในนรกได้ก็จะมารอเกิดเป็นมนุษย์เวลานั่งสมาธิแล้วจิตรวมนิ่งเหมือนไม่มีตัวต้องทำอย่างไรต่อครับ ให้มันนิ่งมนานานๆมีข่าวชาวพระทุกวันมีวิธีทําไม่ให้เราไม่อยากเข้าวัดไหมครับก็เป็นเรื่องวัดที่ไม่มีข่าวเนี่ยไม่ได้มีทุกวัดที่มีข่าวนี่แหละวัดที่ไม่มีข่าวก็มีวัดที่มีข่าวดีๆของเกี่ยวกับพระก็มีเยอะแยะไปแล้วก็เลิกไปวัดกันแทนเป็นงานอาหารนะ ร้านอาหารก็มีทั้ง้านอาหารที่น่ากินและร้านอาหารที่ไม่น่ากินเป็นเรากินอาหารเราก็มักแค่เลือกร้านอาหารที่เราชอบที่เรากินแล้วเรามีความสุขมันก็เป็นแบบเดียวกันโอากาสครับมียุงบินเข้ามาในกุฏิพระอาหารหันท่านจึงคว้าและกำยุงไว้ในมือแต่ยุงตายโดยไม่เจตนาขอถามว่าพระอรหันทรัชงคยังต้องการสั่งสอนยุงด้วยหรือครับ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบท่านอาเรื่องนี้มาจากที่ไหนทารู้เมื่อหลุดพ้นแล้วยังมีขันอยู่ไหมครับก็มีขันสิ ม, มีเวตนาสัญญาสามขันวิญญาณเพียงแต่ว่ามันส่วนใหญ่ยังไม่ทํางานเพราะไม่มีตัวขั ด, ดันให้มันทําตัวต้านทาความอยากมันไม่มีคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ หนูมีสมาธิวกเข้ามาในกายที่มีที่ตั้งของจิตอยู่สมาธิตั้งมั่นลืมตาก็ได้หยุดคิดได้ทันทีบนฐานที่ตั้งมั่นแต่ลืมตาได้ยินรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่คิดสังขารไม่ปรุงตามหนูเป็นแบบนี้มานานแล้วจะต้องปฏิบัติภาวนาให้ก้าวหน้าอย่างไรครับก็ถ้าเราสามารถรักษสาใจให้นิ่งให้สงบให้เฉยวางเฉ ย, ยได้ ขั้นต่อไปเราก็ไปจจริญปัญญาให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นใจรับเพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดเป็นติดไปหยากกับเขาขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซห้อยเจ็ดสิบห้าคนในยูห้า้อยห้าสิบสี่ในคลับแปดในติกตอกห้าร้อยสามสิบแปดครับรวมฟังด้วยกันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคนนะครับ อ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา18นาทีครับพระอาจารย์ตอบไป93คำถามครับมีคำขอรับหนังสือไปแล้ว770เล่มครับพระอาจารย์ครับก็ขอสแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำจัดความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการสนทนาธรรมสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงมำเรสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ทาหน้าก็พบกันวันวันอาทิตย์อาทิตย์ที่เก้าใช่ไหมวันนี้วันที่สองวันทิตย์วนนี้วันที่หนึ่งวันสองวันอาทิตย์วันที่เก้าตามปกติเหมือนเดิมถ้าไม่มีเหตุการณ์ข้าไม่มีอะไรก็คงจะได้พบกันในวันนั้น ขอจเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ